พระธรรมเทศนาแผ่นที่88ดลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธา น, านีแสดงธรรมในวันที่3พฤศจิกายน2558มีชื่อเรื่องว่าพระจะดีดีได้เพราะมีศีล หลวงพ่อเองเป็นห่วงเรื่องแขกคนเข้ามาหาส่วนหนึ่งแล้วก็เราเข้าสู่ระบบงานใหญ่การวางตัวของพระของเราอยู่ในวัดการวางตัววางอย่างไรเราไม่ใช่เป็นคราวาดเราเป็นพระด่าลืมตัวว่าเราเป็นใครเราเป็นพระ อันนี้ให้ถือว่าเราต้องระมัดระวังในการเดินเข้าไปหาชุมชนสังคมอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อเป็นห่วงเรื่องการสวดเมื่อสวดจบลงแล้วพระของเราไม่ได้ซ้อมกันไว้อาจจะพวกท่านทั้งหลายา จ, จะสอบซ้อมแล้วก็ได้แต่หลวงพ่อไม่ได้ยินหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหัวหน้าหลวงพ่อก็อยากจะทราบเหมือนกันว่า พวกเร า, เ, าเสียงเป่งออกมามากน้อยแค่ไหนขนาดไหนจริงจะพอเหมาะในการที่รับในแต่ละบทและก็องที่สวดก็เหมือนกันสวดเสียงลักษณะอย่างไรเข้ากันได้ไหมาบางองค์ก็เสียงวิตเสียงใหญ่อพอจะปรับลงได้ไหมให้มันเข้ากัน เสียงเหล่านี้นะเนี่ยพอเราเข้ามาสู่ชุมชนสังคมสังคมใหญ่ไม่มีอะไรไม่มีสังคมคราวไหนที่จะใหญ่ยิ่งไปกว่าคราวนี้เพราะนั้นคราวนี้เป็นคราวเป็นคราวที่ยิ่งใหญ่ในวัดของเราเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็อยากจะฟังเสียงหมู่พวกเพื่อนว่าการสวดก็ดีการออกเสียงก็ดีการอนุโมทนาก็ดี เราจะอนุโมทนาอย่างไงในวันนั้นแต่ผมก็ยังไม่ได้ถามหมู่พวกเพื่อนที่ผ่านมาอย่างหลวงพ่อสุธรรมท่านให้พอรอย่างไงหรือว่าถามท่านรัตนะที่เคยทางอยู่ทางฝ่ายสาสนาพิธีพิธีกรรมมา ก, ก่อนเรานี้แหละเราก็ยังไม่ได้ถามเกียวว่าถามแล้ว ก, ก็คงจะรู้เรื่องก็คงจะไม่ยากนะแต่ทีอย่างไง ถ้าเราไม่รู้กันเราก็ให้ศีลให้พรตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพาให้พรมานเะ่รพอเราเป็นพระป่าพระรลวงพระกรรมฐานชุมชนสังคมเมืองก็จะได้รู้บังว่าเป็นยังไงแต่ตามให้จริงก็เอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะั่นแหละมาตรัสมาบอกมากก่าวมาอนุมโมทนาให้พร แต่เขอให้พวกพระทูกหลานทั้งหลายนะให้ถ้าหากว่าองค์หนึ่งสวดจบแล้วนะให้เป่งวาจาพร้อมกันอากังฆ้ามะพันเตให้พูดเสียงดังพอสมควรนะไม่ใช่มู ม, ม่อม ม, มม่อเหมือนกับถวดปฏิโมกนะไม่ได้เสียงให้ดังกว่านั้นเนี่้ฟังเสียงตัวเองนะแล้วก็เรื่องกิริยามารยาทนะ เวลาเรามานั่งปนมมือในที่สาธารณะใหญ่อย่างนี้การปรนมมือให้ปนมมือด้วยความตั้งใจไม่ใช่เอามือประสานกันนี่นะเนีไม่ใช่แบบเอาอย่างนี้ไม่ได้นะพวกเรานะพระลูกพระลานะต้องมีมารยาทนะต้องมีสมบัติผู้ดีต้องมีการตั้งใจการปรนมมือก็ด้วยความตั้งใจอันนี้หลวงตามหาบัวท่านสอนนะ หลวงตามหาบัวนขนาดกันุท่านมากขนาดนั้นเวลาท่านปโนมืออย่างปโมปนมื อ, มอด้วยความตั้งใจไม่ใช่ว่าทำเห็นกูบายจานบางองค์เราก็ไม่อยากตำหนิท่านหรอกเพราะเป็นนิสัยของท่านแต่ที่ยังไงก็เถอะพวกเราเป็นลูกเป็นหลานมาชุดรุ่นหลังไม่ควรจักนะควรจะตั้งปนมมือด้วยความตั้งใจด้วยความใส่ใจเพราะสาธารณะ ชุมชนเวลาเราปรนมือขึ้นมาเวลเเาไปอ อ, ออกในกล้องวิดีโอถ่ายภาพออกไปแล้วมันดูดูแลเหมือนกับโกภกพระของเราปมดสภาพเป็นคนหมดเป็นพระที่หมดสภาพหมดความใส่ใจสนใจมันดูแลไม่ดีดูออกภาพออกมาแล้วไม่สวยงาม ในสายตาของหลวงพ่อนะแต่องค์อื่นจะว่วย่างไงกัสุดแท้แต่แต่ในสายตาของหลวงพ่อหลวงว่วดูแล้วไม่ดีไม่ไม่งามในมันออกมาถูกสุมชนสังคมเราต้องอผู้เป็นแนวหน้านายหน้าเรีอกว่าเป็นผู้นำชุมชนเป็นพระสงฆ์เป็นผู้นำชุมชนกิริ ย, ยามารยาททิ่ไหนเราต้องส้ารวมระวัง เวลาแขกคนมาก็ตามพี่น้องมาก็ตามเวลาก็มาตั้งลงทานเดี๋ยไปหาตั้งอโล่ออแระแถวลงทานไม่ได้นะอย่าให้เราได้เห็นมันไม่ใช่เรื่องของพระเราเห็นจะไปที่อื่นเราเห็นอ้วกจะแตกเข้าใจไหมเราไม่ใช่ว่าเราจะเย็นดีนะเอเวลาใครไปตั้งลงทานไปนั่งป้วนเปียนอยู่แถวนั้น่ะออผู้หญ้าผู้หญิงอใครต่อใคร มันดูแล้วเราเป็นใครถ้าเราอยากจะเป็นเราต้องศึกสะก่อนเราจึงเป็นถ้าเราเป็นพระอยู่นี่ต้องมีให้หิโตปะผ้ากาสาวะของของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ควรจะแปดเปื่อนปนเปื้อนกับสิ่งภายนอกเหล่านั้นเราต้องรักษาศักดิ์ศรีเออศักดิ์ศรีของผ้ากาสาวพัดเออศีรษะโลน เราจะไปเอาผ้ากาสาวะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ผ้านี่ไม่ใช่ของเราถ้าหากว่าเราไม่มีผ้ากาสาวะหุ้มตัวอยู่เราจะทํายังไงก็ได้ทําไปเถอะแต่มีผ้ากาสาวะอยู่ไม่ควรจะทําเราต้องมองดูผ้ากาสาวะของพระพุทธเจ้าที่คลองเราอยู่นี่แหละให้พวกเราสำนึกทำอะไร อย่าไปทปําป้วนเปี้ยนอย่าไปเดินสืดเสียดสีเข้าไปทั้งฝ่ายผู้หญิงบางทเาีเขามาสู่วัดพระโกโลโกโศภะบวชใหม่พระไม่รู้ขนมจนเดินมดเข้าไปเอในชุมชนของเขาจนเขาเอา้องจ้ากเก๊ก็มีเขาเอเพราะว่าเห็นพระเข้ามาเอเข้ามาแบบพระไม่มีพระหน้าด้านพระไม่มีฮิริโอตปะพระไม่รู้วินยัยพระไม่มีศักดศี พระไ ม, ไม่สำรวมระวังสีลายจาราวัดของตนเองพระไม่ได้รับการอบรมจากครูบาอาจารย์เป็นพระที่ว่าเพียงแต่วกศักว่าพระไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการเสียมสอนสั่งสอนคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีไม่ได้สอนเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ทําอะไรทําใจตามใจตัวเองอยากจะทําเหมือนกับเป็นฆราวาสเราไม่ใช่ฆราวาสเราเป็นพระสํานึกอยู่เสมอเราเป็นพระศีรษะที่เราถักปงผมนั่นก็คือเราทำทำท ำ, ทำตามพุทธผ้ากาสาวะกาสาวพัดที่เราคลองนี้นั่นคือผ้าธงชัยของพระหันเป็นผ้าของพระพุทธเจ้า ที่ท่านประธานให้มาไม่ใช่อยู่ในฟอร์มของเราทำเองเป็นอยูในฟอร์มของพระพุทธเจ้าเป็นอยูในฟอร์มของพระหรหัสสาวกท่านใช้ท่านครองมาอย่างนี้เพราะนั้นเราต้องสำนึกไว้อยู่เสมอว่าเราเป็นใครเราเป็นใช่เป็นครวาร่าตเราเป็นคนก็จริงอยู่แต่เราเป็นคนที่ว่าบวชในพระพุทธศาสนา ต้องมีสมมีศักดิ์มีสีรักษาเกียรติประวัติรักษาวงอริยะประเพณีรักษาวงของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆอองหนะ้าพระทุกองเวลามีการมีงานเข้ามาอย่าเขาไปพูดเปี้ยนถ้าไม่จำเป็นถ้าว่าอยากจะพูดคุยกับใครก็ามาเรียกเข้ามาเต็มเป็นพ่อแม่นานๆจะได้พบได้เจอกัน มาแล้วเอาพระหมู่เพื่อนเป็นสักวงเนึ่งเป็นเพื่อนซะก่อนถ้าว่ามีผู้หญิงอย่าไปคุยสองต่อสองเด็ดขาดถ้าเป็นใครก็ตามนะถ้าไปคุยสองต่อสองเราก็ไม่รู้ว่าเป็นน้องหรือเป็นพี่หรือเป็นแฟนใครจะไปรู้ใครจะไปถามเพราะนั้นอย่าไปคุยถ้าองค์ไหนก็ตามนะถ้าผมเห็นถ้าหลวงพ่อเห็นหรือพ้อ กริ่นเลยหลวงพ่อไล่เพ่นน่นะเพอเพอรไล่เพ่ะนะ <ๆ S 2> ไม่ให้รับกรถินอีกต่างหากกลัว <ๆ S 2> มันจะแปดเปื้อนพระไม่มีสิน <ๆ S 2> กระถินไม่บริสุทธิ์เข้ามาในสู่ชุมชนสังคมสังฆกรรมสังฆกรรมของพระได้อย่างไรเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังพระเราเป็นผู้มีศินเรายอมรับเป็นผู้ผู้มีศินเท่านั้น ถ้าไม่มีศีลรอรับไม่ได้จะยศถาบรรดาศักดิ์สูงทรงขนาดไหนก็รอรับไม่ได้ถ้าเป็นไม่มีศีลขาดศีลแล้วในะเรื่องศีลและวินัยเนี่ยนะเป็นเครื่องประกันว่าเป็นพระดีหรือพระไม่ดีเอ่ยไม่ใช่ชื่อเสียงอย่างอื่นแต่มีชื่อเสียงขนาดไหนก็เอถอะแต่ประพฤติตนชั่วนะทําตนไม่ดีเป็นผู้ไม่มีศีลแล้วก็ไม่ใช่พระพูดอย่างนั้นได้ เพราะนันเป็นผู้มีศีลท่านเองจับนับฤกษนับเนื่องว่าเป็นพระเพราะฉะนั้นให้พวกเราสำรวมระวังนะทุกองที่พูดทางนี้ทั้งนั้นนะเวลาทําการทํางานของเหมือนกันอย่าไปหยอกไปล้อไปเล่นกันไม่ใช่โอกาสที่จะไปหยอกไปล้อไปเล่นกันในขณะที่คนมามากคนที่เขามองดูนะเขาไม่ได้มาเมื่อด้วยความภรรบนับใสายเรื่องสายอย่างเดียวนะเขามามองดูพระน่ย เขามามองด้วยความดูถูกเย็ดหยามก็มีตั้งเยอะแยะเพราะนั้นเราจะทำตัวอย่างนั้นให้เขาเห็นได้ยังไงสิ่งเหล่านี้เราเป็นห่วงพระห่วงพระเนนไม่ใช่แต่ห่วงในวัดของเราห่วงทั้งนอกด้วยพอไปเห็นข้างนอกก็ไม่รู้จะทำยังไงเห็นบางทีก็ดูดูไม่ออกดูไม่จืดเหมือนกันอ่อแแอ่ยังไงไม่ทราบ เหมือนกับเมาเหล้าก็มีมันทำไมมันเป็นอย่างนั้นกินอะไรกินพญานงกินพญานาคผสมอะไรเข้าไปดูๆแล้วมันอย่าได้มีนะถ้าวัดของเราองค์ไหนมีบอกนะเราจะไล่หนีเดี๋ยวนั้นเลยแก้ผ้าเหลืองออกสะก่อนจึงจะให้หนีเราจะไม่ให้ทำให้พุทธศาสนาเสียหายเสื่อมเสียจับศึกซะก่อนค่อยออกไปจะไปกินยังไงก็กินจะไปทำยังไงก็าทา แต่ถ้าอยู่อยู่ในฟอร์มเนี่ยเราห้ามเด็ดขาดใครจะทําใครจะทำชัำ่วชั่วเสียหายชั่วช้าลามอกอย่างนั้นถ้าเป็นลุกสิทธิ์ของหลวงพ่อบอกมานะเราจะขีดเส้นไว้เลยห้ามเข้ามาวัดหลวงพ่อเด็ดขาดพาเร็วเร็วชั่วชนะ่ววันทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้ หลวงพ่อต้องการพระที่มีคุณภาพมิถะที่อยู่ในศีลในธรรมถึงจะน้อยก็ต้องการพระที่ดีถ้าไม่มีเลยหลวงพ่อจะอยู่คนเดียวองค์เดียวแต่จะไม่ทําความชั่วหลวงพ่อจะอยู่องค์เดียวแต่จะไม่ทําความชั่วถ้าอยู่มากมายอยู่ไปทาําไม ถ้าว่าม า, มากมายหลายปริมาณมีแต่เพชรนินจินดามากมายกองพเลเรืนเทิกเป็นภูเขาเหล่ากาเออดีดีแบบคุณภาพออแต่มากมายเข้ามามีแต่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงมีแต่ราคะโทสะโมหะมีแต่ขี้เลศมันหลายอย่างงั้นมีแต่หลายเสียหายออหลายเสียหลายสั อ, อตามจาซาเ็วตาม มีแต่ไม่คุณไม่มีคุณค่าไม่มีคุณภาพยังเสียหายอีกต่างหากกลายไปเพื่ออะไรหลายอย่างนั้นหลายเสียหายที่หลวงพ่อพูดว่ามากขี่ควายหลายขี่ช้างขี่ควายกับขี่ช้างมันยังดีอยู่ด้วยยังใส่เป็นปุ๋ยใส่อะไรก็ได้เป็นปุ๋ยได้แต่มากกิเล มากกิเลสราคาโทสะโมหะเยมีจะเดือดร้อนวุ่นวายเพราะนัให้พวกเราระวังนะพูดทางนี้ทั้งนั้นให้สำรวมระวังให้ดูกันรุ่นพี่ต้องดูรุ่นน้องรุ่นน้องก็เหมือนกันอย่าประยองต้องฟังรุ่นพี่หรือก ล, อลอว่ารุ่นพี่กับรุ่นน้องมันเหมือนกันหรือพูดรุ่นพี่พาธรรมใชเองอันนี้ก็เราต้องดูอีกนะมันต้องหลวงพ่อต้องดูเองจุดนี้ ถ้ารุ่นพี่องไหนถ้าหลวงพ่อบอกแล้วเย่างนี้ยังมาเห็นต่อหน้าต่อตาอยู่หลวงพ่อจะขีดกระบานไว้เลยเอาชอกขีดหน้าผากไว้เลยหมายก้าไว้เลยพวกท่านทั้งหลายต้องสำรวมตรองระวังนะนวันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อเห็นรถเข้าไปข้างในใครเป็นคนปล่อยรถเข้าไปข้างในปล่อยเข้าไปได้ยังไงเราบอกไม่ลู้กี่ครั้งแล้วห้ามรถเข้าไป จะเป็นรถใครก็ตามถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อละห้ามเด็ดขาดฟังเอาไว้แต่หลวงพ่อไปพอเป็นวัดของหลวงพ่อหลวงพ่อจะต้องไปตรวจตาทุกซอกทุกมุมเพื่อไปดูความพร้อมของพระอยู่ในวัดถ้าหลวงพ่อจะเดินไปไม่ไหวเพรามันเป็นพันกว่ารายหลวงพ่อต้องนั่งรถไปเพราะนั้นนอกจากเราน่ห้าม จากใครก็ตามเอารถไปถ้าหาว่าใครอนุญาตให้รถไปใครให้เอาไปถ้าบอกให้เอาไปหลวงพ่อจะไล่พระออนั้นหนีเลยในวัดฟังเอาไว้ถ้าไปต้องมีเหตุผลถ้าพระเนนเจ็บไข้ได้ป่วยเออไปรับไปรับได้หรือไปด้วยเหตุอันใดต้องมีเหตุผลไปไปเที่ยวเฉยๆไปชมเฉยๆไปดูนั่นดูนี่เฉยๆ นั่นะไปไม่มีเหตุมีผลถึงจะไปอะไรก็เถอะไปไปชมไม่ ม, มีมีเหตุผลนั่นแหละดูช่วยกันดูนะอันนี้ฟังเอาไว้ถ้าว่าเป็นไปทำการทำงานนานทีปีนานทีไปไปด้วยเหตุอะไรไปบ่อยอย่าเอาไปอย่าให้เข้ามาลด พอล่าลามือสักหน่อยนะโผล่เข้ามาล่ะเห็นเนี่ยพอพูดเข้ามาก็หายเงียบไปเข้มแข็งหน่อยหนึ่งมันพวกนิสัยหล่งเวลาเห็นอย่างเสต๊กก็กลัวซะหน่อยหนึ่งพอหยุดอย่างจะติ๊กนะดื้อด้านขึ้นมาอีกพวกทันทั้งหลายนะฟังให้ถึงใจนะที่ทผมพูดนะแล้วก็ วันพวกนี้ออกไปฉันซาลาละ่ะทางในก็ดูๆให้ช่วยกันดูว่ามีอะไรที่ผูกเป็นผูกเป็นช่างอำนวยความสะดวกให้เขาพูดมาดำเนินการกันช่วยๆกันดูเขาต้องการอะไรถ้าหากว่าดูแล้วมันไ ม, ไม่ไม่มั่นคงมันไม่ดีเราจะหาอะไรเสริมให้เขาก็ได้ถ้าวันไม่มีเอาไม้อัดไม้อัดไปเอาไม้อัดหนา มีไหมเราให้เลยถ้ามันจะเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายอันนี้คืองานในงานของเราแต่ไม่ให้รับรับเป็นภาระมากจนเกินไปรับทุกอย่างก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ปฏิเสธทุกอย่างก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพระผู้ใหญ่ต้องช่วยกันคิดช่วยกันดู ไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาหลับทั้งหมดไม่ใช่เวลาพวกท่านทั้งหลายทำเสร็จแล้วมีอะไรเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นมาเน่ยหลวงพอนะ่อดูแลผมเห็นนะบางสิ่งบางอย่างมันไม่น่าจะทำทำบางอย่างเห็นเห็นด้วยถือถ่าว่าสงสัยเข้ามาถามเราก่อนพอเรายังยังอยู่เรานั่งเป็นหัเอ์ ให้ได้เห็นอยู่ถามซะก่อนไม่ใช่ว่าพวกท่านทั้งหลายทําทําแล้วไม่คิดไม่อ่านแล้วแล้วโยนภาระให้กับวัดกับหลวงพ่อไม่ได้นะหลวงพ่อจะปฏิเสธนะอใครเป็นคนสั่งใครคนคนนั้นเป็นคนจัดการเอยเผยจะไล่หนีออกจากวัดอีกต่างหากเพราะไม่รู้จักประมาณตัวลืมตัวสิ่งเหล่านั้นพวกท่านทั้งหลายต้องคิดอีกเหมือนกันนะเออ เพราะการบริหารก า, ารอยู่โดยการต้องมีผู้น้อยผู้ใหญ่ต้องปรึกษากันเช่นก่อนเราให้พวกท่านทั้งหลายปรึกษากันถ้าปรึกษากันดีแล้วเออนะัดเอามาออถ้าเราถ้าเราไม่อยู่ถ้าเราอยู่จงกับปรึกษากันแล้วก็ตามต้องมาถามเราก่อนเพราะเราเป็นผู้เป็นเจ้าของของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออถ้าเราไม่เห็นด้วยจุดนี้เออ พ่อแม่กูบายอาจารย์ที่เราศึกษามาไม่เคยมีนะเวย้ยอย่างนี้นะหยุดซะก่อนนะพะลูกพะร้านน้องนุ่งทั้งหลายนะผูบายอาจารย์ของเราไม่เคยทําจุดซะก่อนอย่าทำถ้าลำมันตั้มหน้าทาไปแล้วมันเสียหายนะหยุดซะก่อนหลวงพ่อก็จะบอกที่หลวงพ่อเห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยถ้าว่าพอแต่ไม่มีกูบายอาจารย์ก็เถอะแต่ไม่เสียหาย เราก็เออหยวนทำทำเถนะ ท, ำ ท, ำ ท, ำทำได้อาจจะเกิดประโยชน์เนี่สิ่งเหล่านี้หลวงพอ่อจะพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยดุลยพินิษของหลวงพอ่ออีกทีหนึ่งมันขัดต่อธรรมวินัยไหมขัดต่อระเบียบไหมขัดต่อการเป็นอยู่ของพระกรรมฐานไหม การขัดต่อปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นกรมกรมฐานไหมเสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็จะให้แนวความคิดสําหรับมาพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาดูแล้วเอออย่างนี้อย่างนี้มันน่าจะมันน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะดีพวกท่านทั้งหลายกันนะ่ะ ปรึกษาปาลบ ก, กันหลวงพ่อเองสรุปแล้วก็คือเป็นประชาธิปไตยนะไม่ใช่เผด็จการแต่ถึงยังไงก็ตามแต่เรื่องหลักธรรมวินยนะัยนั้นห้ามเด็ดขาดเป็นปเผด็จการออกมาเลยเรื่องว่าสิ่งไหนก็ตามที่มันเสียเหยียบย่าแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงจะมีชื่อเสียงโดง่งดังยังไงก็ตามออกนอกรูกนอกทางตัวนั้นหลวงพ่อก็ต้อง ไม่ให้ทำโดยเด็ดขาดเพราะมันเสียเสียแนวปฏิปทาครูบาอาจารย์ถ้าวหกพวกท่านทั้งหลายต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราตายไปแล้วพวกท่านทัหลายจะทำกับสุดแท้แต่แต่ในวัดของเราห้ามทำอย่ามาทำทำอย่างนี้ละ่ะไม่มีชื่อเสียงมือชื่อเสียงไม่มีสชื่อเสียงโด่งดังไม่โด่งดังเราไม่รับรรับทราบ แต่เราจะยึดแนวแถวครูบาอาจารย์นี่แหละแบบสมร tha แบบพระป่าพระกรรมฐานนี่แหละเรานี้อันนี้ก็เป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาอยู่ศึกษากับหลวงพ่อนะะหลวงพ่อจะอยู่แบบยังไงละ่ะแบบเรียบง่ายแต่ให้ภาวนาเรื่องจิตภาวนานี่ยสำคัญ เรามองข้ามไม่ได้ถึงจะทาการทำงานยังไงก็เถอะถึงจะเก่งการงานขนาดไหนก็เถอะถ้าขีา้เกียจภาวนาแล้วแปลว่าใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ห่างเหินเกินไปไม่ใช่หน้าที่อันนั้นคือหน้าที่ภายนอกหน้าที่ภายนอกเราก็ต้องทำแต่ว่าหน้าที่ภายในอย่าให้ขาดตกบกพร่องอย่างหลวงปู่พรมมันดงเย็น อท่านไปอยู่ทางเชียงใหม่ไปอยู่ถ้าอะไรตับเต่า อ, อะไรถ้ำเต่าตับเต่า อ, อยู่ทางอําเภออะไรอำเภอทางไที่บ่อน้ํามันอ่านท่านก็กลางวันทนะ่านก็ทำงานทั้งวันเลยงัดถินทุบหินทาถนนโหนทางอขยะ แต่พวกพระผู้พวกเปื้อนโอ้ยทำงานทั้งวันอย่างนี้นะจะมีเวลาเดินโยกมุมนั่งภาวนาอย่างไงทําทั้งวันนะพอตกกลางคืนมาโอ้เดินจงกรมพุ่นสี่ห้าหนกะทุ่มพ่นไะอ้ทั้งที่ตัวเองที่เป็นนักภาวนาเนะี่ยนอนม่รู้เท่าไหร่ล่ะอันนั้นคือคนขยันจริงๆใครเป็นที่ยอมรับกันท่วงหน้าเลยหลวงปู่พรม บรรรงเจนเป็นพระเคยเป็นผ่านฆราวาสมาก่อนเป็นนายห้อยขายหัวขายควายมาก่อนพอเข้ามาบวชตั้งใจอย่างสุดๆเลยนี่แหละอันนี้คือถ้าหากว่าได้ทั้งได้อย่างหลวง ป, ปู่ก็ดีได้ทั้งการงานทั้งนอกแล้วก็เดินโยกมรมภาวนาด้วยการภาวนาอย่าให้ขาดถูกปกพ้อง ทั้งการงานภายนอกก็เออเอทําถ้าได้อย่างนั้นดีมากแต่ว่าถ้าว่าได้แต่ทางนอกอย่างเดียวอโพธิสุทธิ์ใจถ้าว่าไม่ได้ภาวนาในใจมันร้อนนะร้อนนะอพอมันร้อนเอาไม่เอาไม่อยู่ออย่างนี้พกหลวงพ่อเห็นเลยที่พระที่มีชื่อเสียงโด่งดังอายุตั้งหกสิบกว่าเกือบเจ็ดสิบลาสิกขาเขาก็าถามไอ้ทําไมนํา ท่านนับเน่าแต่งหนังสืออีกต่างหากคนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองอีกต่างหากทาไมท่านศึกหลวงพอว่อท่านลืมและลึกถึงความตายท่านลืมและลึกถึงความตายถ้าท่านละลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกท่านคงไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ท่านคงลืมลืมและลึกถึงความตายมีแต่ยากจะได้ชื่อเสียงเกียรติยศภายนอก ก็เลยละลึกถึงลืมละลึกถึงความตายถ้าคนละลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอนะแต่ทําอะไรจะไม่จะไม่เกินตัวจะไม่ลุ่มหลงมัวเม า, เาได้ลาบได้ยศมาก็ไม่มัวเมาก็คิดว่าตัวเองจะตายอยู่แล้วนี่ยได้มากได้อย่างนั้นละ่ะเอารับอแต่ว่ารับไปถึงวันตายเท่านะัา้นตายไปแล้วออกไปทั่วไม่ได้ได้ลาบมาก็ลับแต่รับก็ไม่หลงอีก เราใช้ไปถึงวันตายแล้วก็ทิ้งอีกเอาไปด้วยไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเลืกละลึก ถ, ถึงความตายไว้อยู่เสมอนะวันนางเมผวาวิสติข้าพรเจ้าจะต้องตายสักวันหนึ่งไม่มีไม่ไม่รู้ว่าวันไหนละในการเป็นอยู่ห้องเราจะไม่ลืมตัวการปรับตัวการวางตัวกับหมู่กับเพื่อนกับ วาศาสนาครูบาอาจารย์พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอแต่เข้าใกล้แต่ไม่สนิทสนมไม่ใช่เขาเอาเชือกพูดคอเอาเชือกผูกคอจูงตามหลังเขาไม่ใช่อแต่เขาไม่ไกลแต่เขาไม่ไกลอคนวารานเขาบอกว่าอ คุ้นอย่างกลาอากลัวอย่างกลาคุ้นอย่างกลากลาอากล้าเห็นไหมแต่ไม่หนีจากคนเอถ้าว่าเห็นคนถืออะไรแปลกขึ้นมามันจะบินหนีให้ไกลเลยแต่คนมีแต่มือมันก็เข้ามาใกล้ป้นเปี้ยนอยู่แถวนั้นอ่ะอมันหากินกับคนแถวนั้น่ะออถ้าคนเผลอมันก็มาหายสวบไปเอาไปกินทั้งขนมอทั้งกล๋วยทั้งอะไรแต่คนมี ปืนผาหน้าไม้มเห็นขึ้นม า, เ, าเท่านั้น่ะเปิดแนบกลัวระหว่างตัวนี่แหละอันนี้เป็นนักพรตนักบวชก็หรอลักษณะอย่างนั้นเลยอย่าไปคุ้นเชื่องอกับกับใครๆทั้งหมดอย่าไปคุ้นเชื่องแต่จะไปกลัวจะเป็นพิษเป็นภัยทั้งหมดก็ไม่ใชเ่เราต้องดูต้องดูมีเหตุมีผลยังไง ถูกต้องเป็นธรรมอย่างไรถ้าเป็นศีลเป็นธรรมเราไม่เป็นไรถ้าออกนอกลูกนอกทางไม่เป็นริงเป็นธรรมลรวดูอากับกิิยาของกิเลสกิเลสมันจะออกมาไม่ไหนถ้าว่ามีธรรมอยู่ในใจเอาได้คบคบกันไปถ้ามีกิเลสขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเราก็ต้องถอยต้องระวังนี่แหละการเป็นอยู่ของนักพรตนักบวช น, นะ อ, อย่าคุ้นเชื่อ เกินไปอย่าห่างเหินจนจนเกินไปจนไม่มองเห็นอะไรก็ไม่ได้จนคุ้นเชื่องจนลูบรวบหัวลวบผางหมดไม่ได้อย่างองหลวงตาที่ท่านเคยพูดท่านบอกหลวงปู่หลวงปู่มั่นคอยไขยเข้าไปใกล้ไม่ได้พอเข้าไปใกล้ผิดหูผิดตาเด็ก็่อ เหมือนกับเสือเลยเหมือนกับเสือตัวที่ดุร้ายแล้วข้อใกล้ใหมุนเกาะคู่ทันทีแต่สําหรับเราเนี่ยหลวงปู่หลองตาเนี่ยนะสำหรับเราเนี่ยเราก็โกกอยู่แต่เขาบางทีเขามาเล่นหางอะไรเราก็ยังเฉยเฉยอยู่นะเอแต่เราก็มองมองอยู่เขามาเลเขามาเล่นหางแต่ของหลวงปู่ฟันเนี่ยรวบทั้งหัวรวบทั้งหางท่งานวะ หลวงปู่ฟ้านในใจดีเลยหลวงปู่ฟ้นานอา่าอ่าใช่เลยนะหลวงปู่ฟ้านในใจดีอแต่หลวงตามหาววนไม่ได้อืแต่ระวังอยู่อแต่ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ดุเหมือนหลวงปู่มั่นนะ อ, อันนี้กแนวแถวที่องค์หลวงตาที่หลวงพ่อได้เข้าไปที่ได้หลวงตาเปรียบเทียบให้ฟังนะออแต่ตรงปู่มั่น่ะ หลวงปู่มั่นท่านสอนสอนขั้นปริญญานะแต่สอนขั้นปริญญานะแ ต, าแต่แต่เรานี่สอนขั้นมัธยมแต่หลวงปู่ครูบายอาจารย์หลวงปู่ต่างๆด้วยมากท่านสอนขั้นปฐมคล้ายๆก่าเป็นพื้นฐานอ่รญาตจญาติโย ม, มากผุดโทนะหลวงปู่มัละหลวงปู่ ฟันท่านสอนพื้นฐานแต่ก็ไม่มีใครเข้าไปถามทา ม, มาลึกซึ้งกับองค์ท่านแต่ลงตามหาบวหัวเนี่ยท่านสอนแบบผู้ที่ได้รับการศึกษามาพอสมควรแล้วฟังเทศท่านจึงเข้าใจปฏิบัติมาแล้วพอสมควรมาฟังเทศลงตาเข้าใจแต่ถ้าว่าผู้รผรเริ่มใหม่ ฟังเทศลงตาจะไม่ค่อยเข้าใจนะพอฟังไม่ทำไม่รู้ท่านพูดเรื่องอะไรไมีแต่กิเลสกิเลสกิเลสไม่รู้จุู่ชั้งที่ไหนยังไงที่หลวงพ่อพูดีนี้ก็หลายคนที่มาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะอันนี้ก็คือธรรมเทศน า, าการแนะนําสั่งสอนครูบาอาจารย์แต่หลวงปู่มั่นที่ท่านสอนมีแต่สอนเรื่องจิตวิถีทางเดินของจิตของใจทั้งนั้นท่านสอนพระ ผู้ที่เข้ามาสู่วงในภายในถ้ารละวาดกันนานทีจะได้มาเข้าไปหาท่านโดยมากมีแต่พระเท่านั้น่ะอพอหน้าฝนก็มีพอจำพรรษาก็มีพระสามสิบกว่ารูปท่านก็แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวถ้าออกพรรษาแล้วก็มีพระมาจากจากตุรทิศเข้ามาพักผ้าใส่ท่านก็อบรมแนะนำสั่งสอนเรื่องภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนา เข้มงวดกวดขันผนั้นเมื่อหลวงปู่มั่นท่านมรณภาพลงไปแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็ต่างเงียบต่างอง์ต่างอยู่ต่างฝักตัวหลายปีจึงโผล่ขึ้นมาทีโผล่ขึ้นมากลวงจกคุณวัดโสคาราม หลวงปูห่หลีอ่วัดวโศกา ร, รามโผล่ขึ้นมาก่อนจากนั้นก็หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่กงมาจากนั้นก็ครูบาอาจารย์น่ดังและเบิดไปทุกหัวและแหงของประเทศไทยคือล้นแล้วจะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งหมดท่นี่พอดังขึ้นมาพร้อมกันรดงดังขึ้นคนละแห่งและวหนคนละทิศต่างหลวงปู่ แหวนก่อใจหลวงปู่ชิมกอดใจหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟันหลวงปู่เขาหลวงปูออ่อ่อนกล้ไม่จบเลยท่นี่ที่เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่มัน่นหลวงปู่ดุล อ, อยู่คนละทิศละทางคนละคนละจังหวัดกันนั่นะอันนี้ก็คือแนวแถวที่องค์หลวงปู่มัน่นท่านสอนพระท่านเน้น ครูท่านไม่ได้เน้นชาวบ้านนะท่านเน้นครูพูดที่เป็นผู้นําต่อไปภายภาคหน้าการเป็นอยู่การวางตัวอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้สอนหลวงพ่อสอนในระดับที่ว่าให้พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้นำํำไม่ใช่สอนให้เลาะและ่นลแเล่กินข้าวต้มขนมก็เป็นหวานหวานไม่ใช่สอนให้เพื่อเป็นแนวแถวของครูจะเป็นผู้นํา ของพระของเนนต่อไปภายภาคหน้าควรจะวางตัวอย่างไรนี่แหละหลวงพ่อเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดหลวงพ่อไม่คุ้นเชื่องกับคนหน่ยพวกพวกเราท่านทั้งหลายเห็นจึงถึงจะคุ้นคุ้นก็าตามแต่หลวงพ่อน่ยไมเ่เข้าไปใกล้ชิดกับไข่อยู่ด้วยความระมัดระวังอยู่ด้วยความเตรียมพร้อม แต่เราก็ไม่ลบเกียดลังเกียเดเตียดสัตว์อะไรทั้งหมดแต่ว่าญาติโยมก็อยู่ในอยู่ในระดับหนึ่งเราก็อยู่ในระดับหนึ่งอยู่คนละล้วกันพูดง่ายๆเราก็อยู่ในล้วของพระกฎระเบียบของพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเราอย่างไรเราก็อยู่ในกรอบของของพระ แต่ศรัทธาญาติโยมเข้ามาใช่วิทาศาสตร์ในระดับหนึ่งก็แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเขาก็ให้อยู่ในระดับระดับหนึ่งเ อ, อ, อย่าให้ล่วงรับเขตเข้ามาอันนี้เราเป็นพระสิ่งเหล่านี้คือเนี่ยครูบาอาจารย์สอนเ อ, อสอนลูกศิษย์ลูกหาอย่างหลวงตาเนี่ยท่านสอนให้เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้นำํำ เ, เป็นผู้นําเป็นผู้ นำของชุมชนนำลูกศิษย์ลูกหาอแต่ตัวตัวของท่านเองท่านก็สอนหลายระดับำสอสําหรับศรัทธาญาติโยมวะยะตอนเช้ามาก็เห็นวะท่านก็เทศนาว่าการมาลุ่มมตุ้มพอช่วงลักหลังแต่ช่วงกลอนกอดไม่เป็นลอะอลงตาอยู่เอเป็นตัวของตัวหัวลงตาใครจะเข้าไปหาได้แต่ไม่จําเป็น ถ้าใครจะเข้าไปขนาดนะ่ะต้องนัดต้องมีพระเวนบอกกล่าวแต่สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อเออเปิดเวลาสองโมงเข้ามาได้นะแล้วก็มาพูดคุยสนทนามีอะไรก่อนจากนั้นก็แยกย้ายกันเราก็พักอยู่ตามลำพังเว้นเสียบางวันก็ติดลูกติดผ่านพอมี คนมาหลายแห่งธรามาถึงเราจะไล่หนีทีเดียวก็ยังไงมาก็บอกให้เขาหนีไปจะเดียวก็ยังไงเราก็ต้องต้อนรับขับสู้ตามมรยาทสรุปแล้วนะแต่เราเหนื่อยไม่บางครั้งเราก็เหนื่อยเราบางครั้งเราก็พอสมควรเหมือนกันพอเราไม่ใช่พระอิดพระปูนเราเป็นพระมีเนื้อหนังบางที่ก่อนะนั่งนานอ กับคู่กับคนก็มันธรรมดาแล้วนะแต่ถึงยังไงก็เนี่ยวันวันนี้ก็เป็นห่วงเป็นห่วงหมู่พวกเพื่อนในการที่จะสวดซ้อมกรถินเราจะเราจะทายังไงสวดยังไงแต่ฟังแล้วก็วันนี้ก็เบาใจนะแต่ถึงยังไงให้พวกท่านทั้งหลายให้ผู้ที่รับก็ดี ผมมีหน้าที่รับรับกระถินที่อย่างที่เนี่เมื่อสวดจบลงไปแล้วนะก็เพียงเป่งว่าจ้าพอพอสมควรพอเหมาะนะถ้าต่อนนี้ไปเหล๋ยวหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำให้พรและให้พวกท่านทั้งหลายรับสับพี